ให้ปกติให้ปัญญาเข า, าจานัน่งรับเข้าวับกแล้วเขาต้องสวดละบสิ่งที่เราจะทำก็ใบเสวาทำบางเชิงแค่บุญเฉยแต่มันจะต้องเกี่ยวไปถึงเรื่องจิตโนตจิตเป็นเรื่องสำคัญอยากจะถามว่าในโลกนี้อะไรสำคัญเนี่ย แล้วก็บอกอาจจะตอบว่าเงินสําคัญบ้านสําคัญที่ดินสาคัญทรัพย์สินสําคัญอะไรเงี้ยจริงก็ตอบผิดสิ่งที่สําคัญก็คือผิดจิตคนเรามันอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลง่่ปูการมันเปลี่ยนแปลงจิตไปสู่ความเป็นสัตว์หรือตกนรก เราก็จะเห็นความสาคัญใ น, นยว่าถูกเปลี่ยนแปลงในสุขที่มิมเพราะนั้นมนุษย น, นะครับแปลว่ารู้ดีรู้ชั่วแต่มนุษยจะรู้จักดีจักชั่วตั้งแตาใส่พระจะถามโยมว่าเรามีพระไนวะ้ทำไมบางคนก็อาจจะตอบได้แต่บางคนก็อาจจะตอบไม่ได้ พราจะมีไว้ตกัดกันความทุกข์หรือว่าถราเป็นท่านมีไว้เพื่อชี้แจงความทุกข์ก็อยากจะเล่าถึงพฤติกรรมของโยมคนหนึ่งซึ่งจะได้ตายไปประมาณส5ห้าวันแล้วไม่เรียกว่าตายดีกว่าเรียกว่าสงกแต่หมอ พิจรารณาแล้วบอกว่าคนคนนี้ตายส่ว น, นลูกไม่เชื่อหมอบอกว่าแม่ฉันยังไม่ตายก็เป็นหน้าที่พิสูจน์เพราะว่าปกติคนตายในภายในสามชั่วโมงหกชั่วโมงนี้จะเริ่มแข้งเริ่มปีกิิยาเ้าเรียกว่าลมอุจการ ที่เราเคยเห็นคนตายแต่ว่าเดีวันนี้แกมไม่เป็นเช่นนั้นกับเนื้อสงแก่วันิี้อยู่เป็นธรรมดาก็ดูอาการของโยมคนนี้ไปเรื่อยๆถึงสิบ้าวันก็ปรากฏว่าโยมคนนี้เพขึ้นมาเพิ่มในเพิ เ, ป, เ ป, ปล่าในเรื่องเล่ามากมาย หมืนก็มาเตือนสติว่าในขณะที่หลับไปหรือหลับไปเนี่ยไปพบไปเห็นอะไรบ้างเราก็ต้งพิจารณากันโดยความเป็นธรรมทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็คิดว่างคงจะเป็นผู้เชื่อกันเชื่อกันดีว่ามีจริงแล้วก็เชื่อกันชั่วว่ามีจริง ถ้าเราไม่เชื่อกรรมเราจะคงไม่มากันถ้าสิ่งที่เราทำกันนี่เขาเรียกว่าทำดีเราจึงเก็บผลดีของตนเองไว้โดยการมาร่วมบุญสุชนทอดต่อป่าฟังธรรมอายมคนนี้เลยก็ลอยไปในขณะที่จะหลับไปก็จิตัวงนี้ก็ลอยไปสู่ที่พบใหม่ ถึงเขาเรียกว่าสถ า, า, านที่ที่เจรนากรรมเขาก็ถามโิมคนนั้นว่าในขณะที่แกเป็นมนุษย์เนี่ยแกทำอะไรบ้างแกก็บอกว่าแกได้ทำบุญตักบาพรอดกระถิ้นพอดปากระลความเป็นจริงที้สังเขาก็ถามแกตอไเลยว่า บุญที่เหนือกั่ที่จะทำเนี่ยมีไหมโยมคนนี้ก็ตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าบุญที่เหนือกว่าการทำบุญฆ่าตัดป่ากระินหรือทำบุญตัก บ, บาทเนี่ยมีอย่างไรไม่ถัาใจก็้ดยอนิสง์แห่งบรารมีขององค์งพ ร, พระพุทธเจ้าเทวาโทษที่เป็นผู้ซักถามโยมคนนี้อยู่ก็ ให้ยกวันนี้จะเหนยหน้าขึ้นบกกนอกแกเงยหน้าขึ้นแล้วแกก็มองไปข้างสูงหน่อยแกจะเห็นอะไรอยู่บนบนโยมวันนี้แกก็เชื่อแล้วก็เหนยหน้าขึ้นมองไปก็เห็นฉับพลันพลังสีของโองพุเจ้าเนี่ยพอแสงลงมากระทบกับจิตทำให้แกเห็นตัวของตัวเองว่าครั้งหนึ่งนี้แกเคยได้ไปภาวนาปฏิบัติธรรมนีย ประมาณเจ็ดวันนึกถึงสิ่งที่ตนเองไปพบไปเหตุมาก็เลยบอกเข้าไปว่าก็มีอยู่สิ่งเนี้ยเคยไปอยู่วัดเคยไปภาวนาเคยไปปฏิบัติอยู่กับพระเจ็ดวันแหมเทวทูตคนนัจะบอกว่านี่นี่ยเขาเรียกว่า บ, บุญพิเศษที่แกได้ทําบุญพิเศษนี่เขาเรียกว่า บ, บุญที่เกิดขึ้นทางจิต ถ้าจิตของคนใดได้มีการเจริญธรรมะปฏิบัติธรรมพระพุทธเจา้าเขาเรียกว่าได้บุญพิเศษเขาก็บอกว่าเอาละจะให้แกไปกลับไปสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแต่แกกลับไปแล้วนี่แกจะต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามทความดีให้มากเพราะไม่ช้าไม่นานแกจะต้องกลับมาอีก วันนี้ก่อนนี้จะกลับวันนั้นก็อยากจะให้ไปพบไปเห็นบุคคลที่ทํากรรมชั่วมามัวอยู่ในโลกมนุษย์มาตายแล้วไปฝุดไปเกิดอยู่ในนรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างให้แกไปดูก็มีคนนํากันไปสิ่งที่เราจะเชื่อในสิ่งที่แกเล่าก็คือหมู่ญาติที่ตายไปแล้วได้ไปตกนรกหมกไหมกันอยู่ในข่าวว่นานรกทั้งหลาย เพราะว่าเป็นหมู่ญาติทำไปเองแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นคนที่ตายไปแล้วก็ได้จากโลกนี้ไปแกก็ไปพบไปเห็นถ้าท้ยใจในสิ่งที่ได้ว่าอ๋อ ก, กันนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ตายพวรเราทากันชั่วก็ต้องไปชั่วทาดีก็ต้องไปดีก็จะไปเดินดูสิ่งต่างๆของนรกภูมิพอสมควรไปเห็ น, น, ก, น, นก็กลับ มีคนนำมามาพบพระมีพระ อ, อีกหนึ่งองค์คอยดูซรือคอยโยบุณี้อยู่ก็ให้โยกุณีนั่งลงแสดงธรรมเทศนาให้ฟังถึงเรื่องกรรมดีกรรมชั่วความประพฤติ ธ, ธรรมให้โยบุณีฟังก็ตักเตือนแล้วก็ให้สติว่ากลับไปสู่เือรมนุษย์อย่าบวมามาพยายามทำดีนะ ตงเชื่อคำสอนขพระพุทธเจ้าอย่าดื้อรั้นอย่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิในสิ่งต่างๆที่จะคัดข้านสิ่งที่เราควรจะได้รับความดีพระท่านสอนสอนโยมคนเนี้ในขณะที่พระท่านสอนให้ฟังนั้นก็โยมนี้ก็ตั้งหกตั้งใจฟังเหมือนกับโยมมาตั้งใจฟังหลวง อ, อ, อาที่แจกอะไรอย่างนี้ หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็พระก็นํานพาโยมคนนี้มาส่งในขณะที่นํามาก็แนะนําสั่งสอนอะไรมาเรื่อยๆก็บอกโยมว่าเอาละโยมฉันส่งโยมแค่นี้นะเดี๋ยวก็โยมกลับเองกันแล้วกันก็ปรากฏว่าโยมแกก็เดินไปหน่อยแกก็ล้มลงไปเพราะมีความรู้สึกตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาล ที่แกตลกแกก็มาเล่าให้ฟังแล้วเสร็จแล้วนะกกตั้งแต่กระซึ้นัวขึ้นมาใหม่นี่นั่นตาลกายเป็นคนละคนกิจวิทยของแกนี่จะเห็นเป็นประจำวันคือทําบุญตักบาทรนะอบอ้อมอเลนะสามีบุตรธิดากระตันยูดูแลพ่อแม่ เพราะว่ากลัวกรรมที่จะไปเกิดในนรกอับูแล้วก็เชื่อฟังพยายามสวดมนต์ไดว้พระนั่งสมาธิเป็นกิ จ, จวัตรซึ่งเขาเรียกว่านิจจสิติเพราะว่าสิ่งที่พบเสียงที่ได้ยินก็กล้องอยู่ในหูในใจใครจะว่าแกยังไงแกก็ไม่สนใจแกก็ทำเพาะแกอยู่อย่างนั้นจนมาวันหนึ่ง อา้สสกวะลุอ า, เ, า, าเขาจะเล่าค่มคือก่อนที่แกจะมาเนี่ยพระท่านก็บอกว่ากลับไปจงกับพิทธธรรมแล้วก็เทวทูตทจะเป็นผู้เอาจิ ต, ตั้งแกขึ้นสอบสวนนั้นก็บอกว่าแกกลับไปสู่โลกมนุษย์จงไปติดตามคำของพระพุทธเจ้าให้ครบผู้ชี้แจงทำเที่ยงทำไม่เที่ยง ทำเที่ยงมหมายความว่าท่านที่สอนให้คนเราปฏิธรรมทำไม่เที่ยงนะคือทำที่สอนให้คนเราอ่ามีเวรมีกรรมอารมณ์ลแล้วก็เรียกว่าอารมต์ ก, กุศลธรรมคือให้รู้จักโลกจกักธรรมวันหนึ่งนี้แกมาพบกับหลวงอานะก็ไม่เห็นหลวงอาแล้วแกก็มองดูเหมือนเขาจะงสงสัยว่า ถึงอานี่เคยพบกันตรงไหนก็นั่งมองเสรจแล้วก็ก็ร้องให้โจโจก็ก็เลาะให้มาเฉยๆเราก็ตกใจเลยโยงคนนี้มาพบกันทําไมร้องให้ทําไมใช่ญาติใช่มิตรจะมองดูในส่วนโลกเฮ้เราก็้มาได้เป็นอะไรกับแกแต่ถ้ามองดูในทางธรรมล้วก็เป็นญา้ิกันในศาสนาก็ให้กันร้องให้มันแคไปก็อยากเลาะ ก, ก็พักึงแกกันจุดก็ถามพระโยมทาไมร้องไห้มีเรื่องอะไรโยมก็ฝันถึงเราแกก็บอกว่าแกนึกถึงพระองค์หนึ่งที่เคยสอนแกนอยู่บนสวรรค์ที่แกก่อนจะมาเหมือนหน้าตาเนเหมือนเหมือนท่านอาจารย์บอกโยมก็จําผิดแล้วท่านเองก็ไม่ได้เคยขึ้นสวรรค์ทั้งที่อยู่แต่เมืองมนุษย์แล้วฉันจะขึ้นไปพบโยมได้ยังไง มันเป็นอุ ป, ปมาภาพมากกว่าเขาอาจจะสมมติว่าให้หน้าตาของฉันเนี่ยหรือหน้าตาของพระองค์นั้นน่ะมันเหมือนกันขึ้นโย็ได้มีความมั่นใจนที่ได้พบเป็นได้ฟังหรือได้ชี้แจงเปหลังจากนั้นต่อมาแกก็ตั้งสัจจะในช่วงชีวิตว่าแกจะปฏิบัติคําความดีขั้งแกช่วงชีวิตเป็นไวแต่เจ็บป่วย โดยมีกิจวัตรประจำวันก็คือการนั่งสมาธิ5นาทีตลอดชีวิตเพื่อเป็นการดันลงของความดีข้อนี้ไว้หลังจากนั้นต่อไปก็ไม่ได้เจ็ดกันอีกเลยกับโยกคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของที่รุงอ่านเล่าให้ฟังเพื่อจะให้โยมได้คิดว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ากรรมดีมีจริงกรรมชั่วมจริงปกติคนเรานั้นนะ่ะ ถ้าไม่ศึกษาไม่ไส่าถามทุกคนจะไม่รู้จักเลยว่ากันดีกันชั่วเป็นเช่นไรอิทธิฤทธิ์ของความชั่วอิทธิฤทธิ์ของความดีทำให้คนเลานั้นมีการเปลี่ยแปลงขึ้นไม่ใช่ภาษาชอช้างหรือมหากาศไม่เอกวออะไรกันเรียกว่าชั่ว ไม่ใช่ภาษาตัวหนังสือภาษาตัหนังสืออาจจะไม่น่ากลัวแต่ภาษาการเปลี่ยนแปลงแล้วน่ากลัวมากสาหรับความชั่วตัวเช่นอย่างเรารู้จักระวัติของพระเทวทัตพระเทวทตัตสร้างแต่ความชั่วและความเชื่อของเทวทัตไปถึงไหนได้รับผลยังไงนั่นคือการเปลี่ยนแปลงหรืออิทธิฤทธิ์ของความชั่ว เพราะฉะนั้นเรามาเข้าวัดเข้าวายศึกษาธรรมสนธนาธรรมอบรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่ดีนอกเหนือไปจากการว่าอาบำเพ็ญบุญเราควรจะรู้จักองค์พระพุทธเจ้าของเราให้มากกว่า น, นี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นองค์พระปฏิมากรที่ประกอบไปด้วยทองเหลืองตะกั่วดีบุกหรือปูนแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจในแนวทางของความทุกข์ความสุขทั้งหลายด้วยเหตุและผลแนวทางต่างๆที่เป็นสัจจะใครกระทำแล้วเดินแล้วคนนั้นจะต้องไปตามสัจจะของแนวทางเส้นทางชั่วแล้วก็หลีกหนีชั่วไม่ได้แนวทางของชั่วก็คือนรกเปรตสัตว์อสุรกาย แนวทางของดีก็คือมนุษย์เทวาอินทร์ทรงถ่ายทอดจิตเป็นมัชฌิมาไม่ดีไม่มีดีและชั่วเขาเรียกว่าวางปาผ่านก็คือสัจธรรมนั่นแหละใครเสนไหนเดินทางเส้นไหนบุคคลก็จะเดินทางเส้นนั้นที่ตนเองได้กระทำขึ้นจึงบรือฝ่ายเสีก็มีจริงชั่วก็มีจริงอย่าประมาทในชีวิตที่เกิดมามันอบรมบ่มนิสัย ถวัเข้าไวาแล้วก็ให้มีวินัยวินัยนี้ก็แป็นว่าข้อห้ามเหมือนเราเป็นประชาชนตัวกฎหมายเรารู้แล้วคา่าเขาเนี่นยต้องติดคุกนั่นคือวินัยเลยข้อห้ามเราควรจะมีธรรมะได้หักห้าอารมณ์สิ้นคอ ป, ปลามอารมณ์สิ้นถ้าเราจังตัดไม่ได้ก็ปรามาาเข้าไวผลเข้าไวก็จะสี นั่ขคือการเข้าวันแล้วก็วัดของเราของคนทุ ก, ทกคนไม่เจาะจงเฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกๆคนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าต่อบัปคือเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมขึ้นในสถานที่ไม่ควรจะนจสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไม่บังควรไม่สมควรเข้ามาสู่สถานที่อันบริสุทธิ์ ไม่ใช่เกรงใจเฉพาะกับพุทธแต่สถานที่นั้นไม่นชื่อว่าเป็นสมมุติเป็นอาวา่าเป็นเขตเ้าเรียกว่าเขตแห่งความบริสุทธิ์ถ้าเราจะมีการสำรวมวาจาสำรวมกายในการใช้ในสถานที่ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับบุคคลผู้มีสติมีสัมปชัญญะแต่ถ้าเราไม่สำรวมกายใช้วาจาสามหาว หรือวาจาที่เรียกไม่ดีติเตียนเสดสียกยงส่งเสริมทำอะไรนไี่มันควรในวาจารหรือในกายติ้นเช่นเวลานั่งฟังธรรมในขณะที่พระพร้อมด้วยองค์รัตนะเนี่ยเป็นประธานเราควรจะให้ความขลบขึ้นไม่ควรเจอคิดว่าตนเองไม่ดีกว่าพระพุทธธรรมประสงค์เช่นนั่งระเทียบให้เรียบร้อย แสดงมาถึงความเป็นผู้รู้วิบากศพวิบากกรรเราจะได้ดีปแต่ถ้าเรามาสามหาวทำตอนเป็นผู้ที่เรียกว่าใหญ่กว่าพระพุะทธธรรมไปส่งเราจะได้โท่โทษคือยังไงโทอก็คือโมฆะไม่ได้ดีกับเขาอะไรมันทําให้จิตของเราไม่ได้ดีเพราะเราขาดนะโมคือเรียกว่าขาดสามนอกน้อง มีกายแต่ไม่หนอบน้องก็ไม่ได้ดีมีวาจาไม่หนอบน้องก็ไม่ได้ดีมีจิตใจไม่นอบน้องก็ไม่ได้ดีเพราะนั้นบุคคลที่เป็นผู้นอบน้องถึงได้ดีที่เขาเรียกว่าเชื่อฟังอย่างเช่นองค์พระพุทธลาพสาริบุตรเชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ดีอนาวิธิกาเศรษฐีวิสาขา ฝ่ายกระว่าเชื่อฟังคำพันธุพระเจ้าก็ได้ดีแต่บุคคลที่ไม่เชื่อฟังหรือว่ามันมีความรับนองแห่งกัดจ้าหัวตื้อหรือดีในบมญชีเห็นความเลยมนุษย์ความดีที่จะปุดเกิดขึ้นในเรื่องของธรรมะภายในกายในจิตของบุคคลนั้นก็ไม่มีเลยถ้าเกิดขึ้นจากเราหัวตื้อหัวลันไม่เชื่อไม่ฟัง ไม่ทำตามคำสอนของพระเด็จ้าเราก็จะกลายเป็นพุทธบริษัทที่เป็นโมคคครับคือโมฆะบุรุษและโมฆะสตรีเธ <c oughs> อากาธนาพุทเพนโดยปริยาไม่ได้มีหลักมีฐานมีความจริงใจที่ประกอบไปด้วยทีฤทธและโอตระปัดเราจะเห็นว่าคนดีนะเป็นคนที่อ่อนโยนเชื่อฟังเหมือนกับเราเลี้ยงลูก ถ้าลูกคนไหนอ่อนโยนเชื่อฟังพ่อแม่เราสบายใจไหมบุคคลที่ถูกการอบรมก็สบายใจพ่อแม่ก็สบายใจทั้งใดกับเราขวัตขวามาลัทธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา้าถ้าเราเชื่อฟังคําสอนของท่านเราได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีถ้าเราไม่เชื่อฟังทําของท่านเนี่ยในฐานะที่เราเป็นลูกท่านก็หนักใจ เหมือนเทวทัศน์สมบักใจมาเป็นลูกแต่ไม่ทําตามคําสอนของท่านท่านประหนักใจผมรู้สึกแล้ว บ, บุคนที่ดื้อรั้นวดดีถือดีแข็งกระด้างก็เกิดเป็นกรรมจึงให้เรียกว่าไม่เชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าไม่มีเหตุผลในธรรมของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักแนวทางของพระพุทธเจ้า เราไม่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรเหมือนจะาำว่าบาทบาทมาจะทคำ ว, ว่าบุตรทําไมสาววันจหลายเชา้าผมจีวรไปบินธ บ, บาถือบาทไปหาโยูนั่นคือบุตรที่ดีมีความสังรวมกายสังรวมจิตจิตเขาเรียกว่าวิญญาณทันใจให้สงบเดินให้เรียบร้อยรับพระตาหารโดยความเงียบสงบนั่นคือบุตรที่ดีมีความอ่อนโยนในตามธรรมคําสอน แต่ถ้าบทคนนั้นไปถือบาตรของท่านแล้วทาลุกลี้ลุกลนทาเป็นําโมยทำบุญโวรก็จะทําให้คําสอนนั้นบกตลายหรือเสื่อมเสื่อมคือไม่เกิดเป็นความศรัทธาและความเลื่อใสเพราะฉะนั้นก็จะให้มีความเลื่อมสมีความไว้ื่อใจวัดเขาแดงตกก็คงจะเป็นฐานที่อุปโภคอุปใสซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องมีชนชัน้นระวรรณะ ไม่ต้องมีคำว่าย า, ากดีจนถ้ามีจิตใจดีๆสนใจในการฝึกอบรมผ ม, มิสัยรู้แล้วว่าจิตเป็นเรื่องสำคัญเราก็มารวมกันเหมือนความสามัคคีของเรามารวมกันท่อประป่าในครั้งนี้ย่อมจะเห็นป้ายาข้างๆองค์พระพุทธรูปที่อยู่ทางขวามือซึ่งเป็นข้อคิดสมัยนี้เ้าเรียกว่าสาวกแตกแยก ถ้าขาดคนละชิ้นคนลอันการถือมันนัคิดผิดการให้ความคิดให้แนวทางจึงทำให้เกิดเป็นการสับสนฉะนั้นหลงอาเป็นคนอนุมัติให้พระท่าเขียนขึ้นร่วมหมู่ให้เป็นสงฆ์คำว่าหมู่นั่นคือจิตส่วนเปิดของจิตนั้นคือการจิตที่อาศัยกายนั้นมันคือลักษณะ ชั่วข่าวหรือเชั่วขณะดแต่เรื่องสำคัญคือเรื่องจิตเรามีธรรมะไว้สําหรับรวบรวมจิตเรียกว่าหมู่คณะเราอยากจะรู้ว่าหมู่คณะของผู้ที่มีใจดีใจบุญใจกุศลนั้นเชื่อฟังคําสอนพระพุทธเจ้านั้นมีสักเท่าไหร่ที่จะมาเกิดเป็นลักษณะความคิดเห็นสเสมอกันเชื่อฟังคําสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า เชื่อว่าดีมีจริงชั่วไม่จริงเหมือนกับเราในขณะนี้เราเป็นหมู่เป็นคณะมารับฟังใครเป็นผู้รับฟังจิตเป็นผู้รับฟังโดยอาศัยฐานคือเปลือนของกายตั้งถึกเมื่อจิตนั้นรับฟังคำชี้แจงจิตนั้นก็จะมีความเข้าใจเรียกว่ารวมหมู่ให้เป็นสงฆ์ รู้แล้วเราขอทำชั่วมันไม่ดีทงความดีนั้นทำให้เกิดเป็นสุดตอนนี้เมื่อเราเขา้าใจถึงข้อนี้ก็ขยับไปอีกก้าวหนึง่งรวมองให้เป็นสัจจคือลักษณะพระคุณทั้งห้าประการคือให้รู้จริงๆว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพุทธธรรมประสงค์มีคุณแก่เราขนาดไหน แ ย, แยกแยกออกไปให้เกิดเป็นความเข้าใจคือใจความพ่อแม่เลี้ยงกายประโยชน์ของกายคือพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาให้รู้จักคุณของท่านเพราะอาศัยเหตุของพ่อแม่ที่เขาเรียกว่าหยดเลือดรุมแต่งมาเป็นสรีละอาการสาสองถ้าลูกคนไหนไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ลูกคนนั้นเรียกว่าทรพีไม่เคารพผู้เลี้ยงกาย วนนี้เราศึกษาให้ตัวใจถึงนคำว่ากายที่พ่อแม่ให้ก็จะเกิดเป็นการนอบน้องเขาเรียกว่าบูชากายจะนำกายไปใช้ทำอะไรก็เกิดเป็นลักษณะสติสัม ป, ปชัญญะนี่เขาเรียกว่า